จากผู้แปลขณะที่เดินออกมาจากการบรรยายธรรมของท่านอาจารย์พรหมวังโสผู้ฟังกว่าแปดร้อยคนล้วนเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสแม้ผู้ที่ปกติไม่ค่อยสนใจฟังธรรมะต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าท่านเทศสนุกมากและได้ข้อคิดดีๆมากมาย คุณสารนันตันทวนิชผู้จัดการบรรยายธรรมในครั้งนั้นบอกข้าพเจ้าว่าเรื่องเล่านิทานต่างๆรวบรวมไว้ในหนังสือ Opening the Door of Your Heart ซึ่งกำลังได้รับการแปลเป็นหลายภาษาน่าจะแปลเป็นภาษาไทยบ้างในการแปลนี้ ท่านอาจารย์ชยส า, าโรท่านอาจารย์ของข้าพเจ้าซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อชาและเป็นชาวอังกฤษเช่นเดียวกับท่านอาจารย์พรมได้เมตตาตรวจสอบการแปลให้ท่านอาจารย์พรมเองก็ได้มอบสิทธิ์ุกประการในการแปลหนังสือฉบับภาษาไทยเล่มนี้แก่ท่านอาจารย์ชยส า, าโรผู้เป็นสหธรร ม, มิกเก่า ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์พรมที่ได้ไว้วางใจให้ข้าพเจ้าแปลหนังสือของท่านและท่านอาจารย์ชยสาโรที่ได้เมตตาสั่งสอนและช่วยให้การแปลนี้สําเร็จได้ด้วยดีขอขอบคุณทุกๆ ท, ท่านที่ได้มีส่วนช่วยข้าพเจ้าในเรื่องต่างๆทุกเรื่อง สีวราอิศรา